ขอโอกาสท่าอาจารย์ครับวันนี้พวกเราเหมือนยกสวนสันติธรรมมาไว้วัดโสมนะหน้าตาคุ้นๆเยอะเลยนะ <c oughs> เรามาพบกันเรื่องในงานราชทานเพลิงศพคุณบรรณสิทธิ์ชาพุทธกันเมื่อพบกันนะสิ่งที่ต้องสวยโอกาสไปก็คือฟังธรรม การฟังธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิตไหนไหนมางานศพทั้งที่นะคนถือว่าเป็นงานไม่เป็นมงคลนะเป็นงานอาว่ะมงคลเราสามารถเปลี่ยนงานอาว่ะมงคลให้เป็นงานมงคลก็ได้นคือมาฟังธรรมกานฟังธรรมก็เป็นมงคลแก่ชีวิตพวกเรามีบุญมีวาสนามากนะเราเกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนา คำสอนของพระพุทธเจ้ายัางดำรงอยู่ท่านชี้ทางไปสู่ความพ้นทุกข์ให้เราเป้าหมายในชีวิตของพวกเราเชาวพุทธทุกคนคือพันธิพาลเราอย่าไปวาดภาพพันธิพาลว่ายากเกินไปไกลเกินไปถ้าเริ่มต้นก็ท้อใจเซะแล้วว่ายากเกินไปไกลเกินไปนะกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่ถึงสักทีถ้าตั้งเป้าว่ า, าต้องไปให้ได้ไปให้ใกล้ที่สุด เท่าที่จะทำได้เป็นกำลังเต็มสติปัญญาที่พวกเรามีอยู่เกิดมาทั้งผี่อให้เสียทีที่เกิดมาเกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆที่จะเป็นไปได้นานมากเลยกว่าพระพุทธเจ้าจะสัตรู้สักโพรงหนึ่งพระพุทธเจ้ารัสรู้แล้วก็ยากที่เราจะได้เป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแบบที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ คบสาิบสองนะสติปัญญาเราก็มีแล้วเราไม่ใช้โอกาสที่เราได้เป็นมนุษย์ในยุคที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่เนี่ยก็เท่ากับเราทิ้งโอกาสทองในสังสารวัฏไปจนะลึกชาติได้รู้ว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีไม่มากนะพระพุทธเจ้าสอนทางไปสอนถึงพระนิพพานนะแล้วก็สอนทางไปสู่พระนิพพาน นิพพานอย่าไปวาดภาพว่ายากเกินไปอนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นกิเลสสิ้นปัญหาเรียกว่าวิราคะนิพพานนั้นเป็นสิ้นความปลุงแตง่งเรียกว่าวิสังขานิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นขันเรียกว่าวิมุตนะเป็นสลัดคืนออกไปงั้นถ้าเมื่อไหร่พวกเรานะสิ้นปัญหาได้เมื่อไหร่สิ้นความปลุงแตง่งดิ้นรนของจิตได้ เมืไรปล่อยวางความยึดถือในรูปนามขันห้าที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนของเราได้เนะเราก็จะประจักษ์แจ้งพระนิพพานนิพผ่านไม่ใช่ของใหม่ๆนะไม่ใช่ของเก่าๆนิพพานมีอยู่แล้วนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานเพราะจิตของเรามันมีกิเลสตัณหาะถ้ามีตัณหาขวางอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานจิตของเราที่โดนปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงดี เดีนะ๋ยวปลุงว่างๆแล้วแต่จะปรุงปรุงชั่วเรือ่องอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรื่องปุญญาพิสังขารปรุงว่างๆเรื่องอาเนญชาพิสังขารปรับใดที่ยังมีความปรุงแต่งอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานเพราะนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแตง่งแล้วพวกเราก็ยึดถือในรู ป, ปธรรมนามธรรมยึดถือกายนี้ใจนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ก็เลยไม่เห็นนิพพานทั้งๆ ท, ที่นิพพานอยู่ต่อหน้านั่นแหละจะเพราะว่ามีปัญหา นะเพราะว่ามีความดิ้นรนของจิตก็ ม, มีความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมาอยู่เราเลยไม่เห็นนะอี่าเป็นเรื่องว่ายากนะถ้าวันใดเราสิ้นตัณหาเราสิ้นความปรุงแต่งของจิตนะจิตปล่อยวางความถือมั่นในรูปในนามนะเราก็จะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เรื่องยากเกินที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําไดนะ้ถ้าเราให้โอกาสกับชีวิตของตัวเองนะในการศึกษาธรรมะเราก็ยังมีโอกาสที่จะมีส่วน ได้รู้ได้เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าอุตสาห์ประสานไม่ให้นทะ่านสอนพวกเราให้รู้จักเป้าหมายปลายทางของสังสารวัตนี้นไม่ใช่แค่เป้าหมายในชีวิตชีวิตเดียวนะเราเดินทางไกลในสังสารวัตรเพื่อวันหนึ่งเราจะพัฒนาจิตวิญญาณเราไปสู่ความสิน้นทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความปรุงแต่งสิ้นขันสิน้นทุกข์สภาวะนี้มีอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนะพวกเราถ้าเมื่อไหร่ เข้าใจนะเธจะรู้ว่าอัศจรรย์เหลือเกินนิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมคติไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่อยู่โทเปียซึ่งนักปราชญาสร้างขึ้นมาแต่เป็นของจริงเป็นของมีจริงมีสภาวะธรรมจริงๆรองรับสภาวะนิพพานไม่ใช่ว่างเปล่านิพพานมีความสุขนะมีปรรมมสุขนิพพานว่างจากกิเลสจริงว่างจากความปรุงแต่งจริงว่างจากขันจริงแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย น่พพานเป็นภาวะแห่งสันติสุขมีสันติตมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนที่มีความสุขเพราะว่าเราสิ้นปัญหาจิตที่สิ้นปัญหาสิ้นความหิวโหยมันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองมีความสุขนะสิ้นความที่รุ น, รนปลุงแต่งนะหมดภาระนะสิ้นขันนะจิตวางขันไปเนะี่ยไม่ต้องแบบต้องหาอะไรอีกนะมันมีความสุขมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองนะดังนั้นเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแค่ตัวนิพพานอย่างเดียว วานิพนานเป็ความว่างนิพนานเป็ความสุขนะถ้าไม่ได้หยุดอยู่ๆๆแค่นั้นถ้าหยุดหยุดแค่นั้นท่านยังไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นี่ความน่าอัศจรรย์ของท่านคือท่านบอกทางที่เราจะไปพบพระนิพพานได้ด้วยนะทางเส้นทางที่ท่านสอนไว้ที่ให้เราไปพบพระ น, นิพพานได้นะเป็นเส้นทางที่ว่าทำยังไงเราจะพ้นจากอนานาจของตัณหาได้ทำาไงเราจะพ้นจากความปรุงแต่งที่นรนของจิตได้นะทายัางไงเราจะ ป่อยวางความยึดมั่นตือมั่นในตัวขันห้านี้ได้ท่านบอกพีเติ๋วไว้นะถ้าเมื่อไรหมดกิเลสนะหมดกิเลสหมดตัญหาเมื่อนั้นก็หมดความปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่งนะมันรากเง่ากันมาจากกิเลสตัญหาทั้งสิ้นแนะละถ้ายัางมีกิเลสมีตัญหาอยู่จิตก็ยังปรุงแต่งอยู่จิตยังปรุงแต่งอยู่จิตก็ไปหยิบฉวยเอาธาตเอาขันขึ้นมาเป็นตัวเราของเราขึ้นมา ถ้าสิ้นกิเลสได้แล้วก็สิ้นความปรุงแต่งสิ้นความปรุงแต่งได้ก็สิ้นทุกข์ได้ะสิ้นทุกข์ก็คือสิ้นขันธ์งั้นเรามาดูเป้าหมายในชีวิตเรานะต้องมาสู้กับกิเลสให้ได้ทําไงเราจะสามารถเอาชนะกิเลสได้ถ้าเอาชนะไม่ได้ใจเราจะหิวใจที่มีตัณหานะ่ยหิวตลอดเวลาร่างกายเราหิววันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งแต่ว่าจิตใจเนะ่ยหิวทั้งวันหิวทั้งคืน ร่างกายหิวมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนจิตใจหิวเขามีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกันทำยังไงจิตใจเต็มอิ่มได้จิตที่มันมีปัญหาอยู่นี่มันหิวไม่รู้จักเลิกนะพุทธเจ้าถึงบอกว่านาัตถีปัญหาสมาณะทีห่วงน้ําเหมือนเสมอด้วยปัญหาไม่มีใจโตเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเราต้องมาสู้กับกิเลสสู้กับปัญหาให้ได้นะเครื่องมือนะที่จะใช้ต่อสู้กับมันก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ว่าเราอยัานึกเอามักง่ายนะบางคนได้ยินว่านิพานนั้นว่างก็น้อมใจไปหาความว่างนะถ้าอยู่ๆน้อมใจไปหาความว่างนีเราปรุงแต่งนะมันเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามชื่ออาเนชชาพ่สังขารเพราะไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจเข้าไปหาความว่างเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินเนีก็เดินไปในเส้นทางของการพัฒนาจิตใจให้มีศีลขึ้นมานะพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลส ศีลเป็นเครื่องมือสู้กิเลส ช, ชั้นหยาบหยาบ ก, กิเลสหยาบนี่มันรุนแรงเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะที่รุนแรงขึ้นมาถ้ากิเลสมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันมาครอบงำจิตพอจิตถูกกิเลสที่แรงแรงครอบงำนะมันทำจิตศีลได้อย่างพวกเราเมื่อกี้ขอศีลขอศีลศีลรักษายากที่สุดเลยถ้าเราบยแต่รักษาที่กายที่วาจาแค่นั้นศีลจะรักษาง่ายนะถ้ารักษาที่ใจ ถ้าใจไม่ถูกกิเลสครอบงำผิดศีลไม่ได้หรอกคนทําผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำใจนะงั้นแทนที่เราจะต้องคอยหมักควบคุมตัวเองเหน็ดเหนื่อยมากนะคอยรักษากายรักษาวาจาไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันพูดอย่างพูดมากๆหน่อยก็ศีลดังพลอยแล้วนะพูดเพ้อเจอศีลก็ดังคลอยแล้วไม่ทันจะโกหกเลยแค่เพ้อเจ้อก็ดังพลอยแล้วนะพูดเพ้อเจอพูดในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดนะพูดเอามันนีนะ พุทธเจ้างั้นอาจารย์จะรักษาศีลให้ดีรักษาจิตอะไรเป็นเครื่องมือรักษาจิตสติเป็นเครื่องมือรักษาจิตในอาริธรรมรู้อสอนนะสติทําหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นอกุศลที่มีอยู่ในจิตจะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีสติอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วนะนะถ้ามีสติเหนืองเนืองเนี่ยกุศลที่จะพัฒนาขึ้นเป็นลําดับลําดับไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรักษาจิตเอาไว้เราถ้ารักษาจิตได้เนี่ยกายวาจา ก, ก็เรียบร้อยนะมีศีลขึ้นมาคนทำผิดศีลกเพราะกิเลสไม่ครอบจิตได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงาจิตได้มันก็เลยไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาได้ ถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่โกรธความโกรธครอบงําจิตไม่ได้ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนะความโลภมันครอบงําจิตได้เราก็ไปขโมยเขาได้ไปยักยอกชอบโกงได้ไปล่อลวงเขาได้นะไปประพฤติผิดในกรรมได้เพราะโลภะมันครอบงําจิตถ้าเรามีสติรู้ทันเห็นโลภะเกิดขึ้นในจิตนะใช้การเห็นเอานะเห็นด้วยยานทัศนะไม่ได้เห็นด้วยตา ใช้การเห็นเหน่าเห็นเน่าว่าตอนนี้ราคาเกิดขึ้นที่จิตแนละ้วถ้าเรารู้อย่างนี้นะราคาจะกระเด็นออกไปจากจิตไหมนะแล้วก็ศีลไม่ผิดละเนะี่ยไม่ไปรักใครขโมยใครไม่ไปหลอกใครไม่ไปประพฤติผิดในกามแล้วงั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตได้การรักษาจิตศีลจะเป็นเรื่องง่ายนะถ้ารักษาที่กายที่วาจาเนี่ยรักษาลําบากเพราะจิตมันสนจิตมันทาให้ผิดศีลอยู่ตลอดเวลา นะเพราเราคอยมีสติรักษาจิตไวนะ้นะศีลเราจะดีขึ้นเองแหละอย่างพวกเราหลายคนในเรียนกับหลวงพ่อจํานวนนับไม่ถ้วนนะมอสารภาพโดยซ้ำไปว่าแต่ก่อนเนี่ยถือศีลไม่ได้หรอกนะรับศีลรับศีลแป๊บเดียวก็ศีลร่วงหายไปหมดละนะแต่พอมหาหัดเจริญสตริรู้ทันจิตใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันนะศีลอัตโนมัติมันเกิดนะศีลที่ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องรักษานะสติเป็นคนรักษาศีลให้เราเราไม่ต้องรักษาศีล น, นะ มันถึงขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยเราต้องฝึกนะต้องฝึกคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะศีนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีศีนแล้วเนี่ยกายวาจาเราจะเรียบร้อยะศีนนั้นทให้กายวาจาเรียบร้อยเป็นกิเลสสู้เครื่องมือสู้กิเลสชั้นหยาบคือราคะาโทสะโมหะงั้นเะบื้องตอนถ้าเราฝึกได้ศีนแล้วเราก็มาพัฒนา สู่ ก, กิเลสอย่างกลางต่อไปกิเลสอย่างกลางชื่อว่านิวรณ์นะกิเลสอย่างกลางชื่อว่านิวรณ์ถ้าไม่ดูแลให้ดีนิวรน์ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างหยาบนวิธีที่จะสู้กับนิวรณ์นิวรณ์จริงๆมีห้าอย่างนแต่รวมความแล้วมันเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทั้งนั้นเลยนะมันฟุ้งไปในอารมณ์ที่ชอบใจมันมีการมาฉันทะขึ้นมาฟุ้งไปในอารมณ์ไม่ชอบใจมีพยาบาทขึ้นมาฟุ้งสเปสสป่าไปเลยมีอุท ธ, ธาจาัจจักุกุจจักขึ้นมา ฟุ้งจับจด น, นะตัดสินใจไม่ได้นะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นมาฟุ้งไปแล้วหมดเรืย่ยงหมดแรงไปนะมีทีน้ำทิ้งชาเกิดขึ้นมานะเป็นความฟุ้งซ่านทั้งสิ้นเลยทั้งห้าชนิดนะเนี่ยทำยังไงจิตจะไม่ไม่ตกอยู่ใต้นิวรณนอย่าให้จิตฟุ้งซ่านสนะิตัวที่ทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือตัวสมาธินั่นเองนะนี่พวะเราอย่าไปวาดภาพสมาธิยากเกินไป สมาธิไม่ใช่ว่าต้องนั่งจนกระทั่งเลิกหายใจอยู่ได้หลายๆชั่วโมงไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นหรอกนะสมาธิมีตั้งหลายแบบนะสมาธิแบบเป็นขณะขนาดก็มีนะอย่างพวกเราคนคารวะเนี้ยจะทําถึงอาปนาสมาธิอะไรทาลําบากไม่มีเวลาจะทํานละ้วันวั น, วนมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านนะได้สมาธินิด น, นหน่อยหน่อยก็ยังดีนะทุกวันนะฝึกกรรมฐานสักอันหนึ่งขึ้นมาก่อนนะ เบื้องต้ก็หัดไหว้พระสวดมนต์นะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอะไรนะั้นจิตใจค่อยๆสงบไม่ดิน้นรนมากเงั้นจิตมันหิวมันดิ้นเบรคิดแต่เรื่องวุ่นวายตลอดแทนที่ให้คิดตลยเปิดเติงไปนะั้มาสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงพระไว้นะไปคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูของเราแล้วน ะ, พ, ะพุทธเจ้านี่แหละรครูใหญ่ของเราคิดแล้วจิตใจของเราสงบสบายขึ้นมาแล้วเนะี่ยเราหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคย คนไหนถนัดพุโทโธเราก็ใช้พุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตคนไหนถนัดพองยุใช้ฟองยกุก็ได้คนไหนถนัดรู้อีริยาบทสีก็รู้อีริยาบทสีไปแต่ไม่ว่าจะรู้อะไรก็ให้รู้ทันจิตนะเพราะสมาธิไม่จะเกิดที่แขนที่ขาที่มือที่เท้าที่ท้องหรอกเกิดที่จิตนี่เองนะสิ่ตัวแท้ๆก็เกิดมาจากจิตนะสมาธิมันก็เกิดอยู่ที่จิตนี่เอง แล้วเราหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เช่นพุโทโธแล้วรู้ทันจิตรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตนะเช่นหายใจไปพุโทโธไปอะไรนี้จิตหนีไปคิดนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันมันพอรู้ทันมันจิตมันจะไม่หลงไปนะจะกลับมามารู้เนื้อรู้ตัวมาสงบมาตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ หรือรู้ลมหายใจไปก็ได้คนไหนสนัดรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้ารู้สบายสบายอย่าไปบังคับจิตให้สงบจิตเหมือนเด็กดือ้อไม่ชอบให้ใครบังคับเนี่ชอบให้พูดดีดีนะถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตถึงจะสงบต้องมีความสุขจิตถึงจะสงบนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่ว่าจิตมีความพอใจจิตถึงจะไม่แสบใส่ทิ้งอารมณ์ที่พอใจไปหาอารมณ์อื่นๆจิตที่มันฟุ้งซ่านไปนะเพราะมันเที่ยววีพาความสุขนั่นเอง นะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูไปฟังเสียงนะหวังว่าได้เห็นรูปได้ยินเสียงอะไรจะมีความสุขจริงๆก็คือวิ่งหาความสุขตลอดเวลานะถ้าเราหาอารมณ์ที่จิตเราพอใจนะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนถนัดพุดโทโธอพุโทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องฟองยุบดูท้องฟองยุบแล้วสบายใจดูท้องฟองยุบไปเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีหรือเลวกว่ากันหรอกเท่าๆกันเละ นะถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะั้นไม่ทะเลาะ ก, กับใครเลยนะไม่มีหอกสายไหนสายไหนทางใครทางมันต่างหากล่นะเพราะฉะนั้นอย่างดูท้องพองยุบไปก็คอยรู้ทันจิตนะไม่ใช่ให้ปล่อยให้จิตปิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวรไอ้นั้นไม่ได้สมาธิที่ดีหรอก ไ, ได้สมาธิแค่สงบเฉยๆฉยนะยังไม่มีสมาธิอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาสมาธิมีสองระดับนะสมาธิเบื้องต้นมันแค่สงบสมาธิที่ทพัฒนาขึ้นมาเป็นสมาธิที่พร้อมกับการเจริญปัญญาเนี่ยมันตั้งมั่น ะงั้นถ้าสมาธิถ้าเราเรียนอะที <im <im <im <im <im <im <im <im ่ทำสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่แปลว่าความสงบนะแต่พวกเราจะติดแล้วสมาธิว่าสงบทําสมาธิแล้วสงบแท้จริงสมาธิคือความตั้งมั่นนะสมาธิที่สงบเนี่ยเช่นเราอยู่กับพุทโธจิตไม่หนีไปอยู่กับที่อื่นอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวเนี่ยจิตสงบรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตไม่หนีจากลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตสงบดูท้องพองยบจิตไม่หนีไปจากท้องเลย สงบนะจิตกับอารมณ์นะรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งรวมเข้าด้วยกันนะหนึ่งต่อหนึ่งแต่จะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิอย่างแรกเนี่ยเรียกอารามณูปนิชฌานนะจิตสงบแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิชนิดที่สองชื่อลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นตร ล, ลักเห็นรูปนามสแสดงใจ ล, ลักไดนะ้เนี่ยเราต้องพัฒนาสมาธินี้ขึ้นมาให้ได้ แลสมาธิสงบ ก, ก็แค่ขมนิว น, นะยังทําเอาไปใช้ประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาปัญญาไม่ได้นะก็ดีเหมือนกันได้แค่ขมนิว น, นะกิเลสกลางกลางแต่กิเลสชั้นละเอียดนั่นนะคือความโง่งความหลงต้องสู้ด้วยปัญญานะจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้เนะี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตนั้นถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดไปอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะ จิตไม่ลงไปอยู่ในโลกของความคิดถอยออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่แต่อารมณ์นั้นมีทั้ง6อารมณ์นะเป็นรูปก็ได้เสียงกลิ่นรสผดภาธรรมารมณได้ทั้งหมดเลยอารมณ์6ช่องทางนั้นกี่ร้อยอารมณ์กี่พันอารมณ์กี่แสนละกี่ล้านอารมณ์ก็ได้นะจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์ไม่นับไม่ถ้วนเยิ่งแต่จิตนั้นมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูนะตัวนี้ตัวสําคัญเลยตัวตัวแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้จริงไหม ถ้าจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมันจะเริ่มเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันนะเวทนากับร่างกายเวทนากับจิตเนี่คนละส่วนกันนะสังขารกับร่างกายสังขารกับเวทนาสังขารกับจิตคนละส่วนกันนะเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงนะเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จริงคันห้ามมันจะแยกตัวออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตนะจะแยกตัวไปเอง เมื่อมีการแยกขันออกไปแล้วเนี่ยการเดินปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้การทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การรู้รูปนามนะเราต้องเรียนให้ดีนะอย่าไปมักง่ายว่าถ้ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปไม่เป็นหรอกต้องเห็นใจลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาะต้องเห็นใจลักษณ์เห็นความจริงของรูปนามนะรูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นรูปเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นแค่รูปนามนะเป็นสมถะนะ ต้องแยกให้ชัดนะถ้าไม่งั้นเราจะเป็นหลงทําสมถะแล้วเราคิดว่าทำํำวิปัสนาอยู่กี่ปีกี่ชาติมรรคผลไม่มีหรอกนะงเนี่ยเราจะพัฒนาะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนะี่ยรูปขันมันแยกออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตและจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสังขารทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับ เป็นสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้นะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเป็นสภาวะที่บังคับตามใจอยากไม่ได้นะเน่ค่อยสกอย่างนี้ไปเรื่อยนะปัญญาเกิดจะล้างกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่ละเอียดคือความเขลาวความโง่นะกิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะสู้ได้ศีลศีลจะดีถ้ามีสติรักษาจิตนะกิเลสอย่างกลางคืนนอนิวรณ์จิตมันฟุ้งไปในอารมณ์โน้นฟุ้งไปนอารมณ์นี้ วีธีสู้กับมันสู้ด้วยสมาธิให้จิตแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะหจากนั้นมาสู้กิเลสละเอียดด้วยปัญญานะมิตรจะให้เกิดปัญญาเราต้องมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะจิตแยกตัวออกมาเป็นคนดูแล้วขันมันจะจายตัวออกไปเขาขันกระจายตัวออกไปแล้วนะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาสังขารอยู่ส่วนสังขารจิตอยู่ส่วนจิต แต่ละขันแต่ละขันทํางานตามหน้าที่ของตัวเองนะอย่างร dinheiro, partager, estrogen, ูปขันก็ vào, ETF, น ifi, to to family, ทําหน้าที่ยืนเดินน kind of so ั่งนอนของมันไปหายใจออกหายใจเข้าของมันไปเวทนาขันก็ทําหน้าที่สุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์เฉยๆทางใจของมันไปสังขารก็ทําหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วของมันไปจิตก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของมันไปนะดูแต่ละคนแต่ละขันแต่ละขันทํางานทําหน้าที่ของตัวเอง แต่ละขันมีธุระของตัวเองนะถ้าดูเป็นนะเราอย่าเพราะว่ามีขันอยู่ขันหนึ่งชอบยุ่งชอบไปก้าวไก่ขันอื่นนะคือจิตนั่นแหละจิตชอบไปก้าวไก่ขันอื่นเช่นร่างกายมันแก่นะจิตคุ่มใจนะร่างกายมันเจ็บปวดขึ้นมาจิตคุ่มใจนะอยากจะสาวตลอดการอยากนอนอยากนีอนอน้จิตเป็นตัวยุ่งทั้งหมดเลยนะไม่ทําหน้าที่ของตัวให้ดีหน้าที่ของจิตคือรู้นะชอบเข้าไปยึดชอบก้าวไก่ขันอื่น เนื้ค่อยๆฝึกนะค่อยๆแยกขันแต่ถ้าแยกขันไม่เป็นเราพอนายาบเราไม่เห็นสภาวะเราไม่เห็นสภาวะเราไม่เห็นไตรักษ์ของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเห็นสภาวะเห็นไตรักษ์ของสภาวะแต่ละอย่างได้นั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอ า, าวิปัสนาไม่ได้แปลว่ากำหนดวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าเพ่งวิปัสสนปัสสนะการเห็น วิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นว่าเป็นใจรักนั่นเองเห็นขันเป็นใจรักนั่นแหละวิปัสนานต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช <uge> ่เพ่งเอาไม่ใช่บังคับเอาไม่ใช่น้อมเอาไม่ได้ดัดแปลงเอาดูของจริงลงไปขันเป็นใจรักษอยู่แล้วขัน่ะตกอยู่ใต้ใจรักอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นใจรักหรือไม่เป็นอกมันเป็นอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วหน้าที่ก็แค่ตามรู้อย่างที่มันเป็นให้ได้นะ ถ้ารู้อย่างนี้ได้ไม่นานปัญญามันเกิดเห็นเลยขันวิจะเกิดเราดับรูปเกิดแล้วดับเวทนาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับจิตเกิดแล้วดับนะเห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะจนสุดท้ายมันก็เห็นเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน ก็าภาวนาต่อไปอีกก็ดูขันต่อไปอีกนั่นแหละไม่ใช่ภาวนาประหลาดอะไรหรอกไม่ว่าจะภาวนาขั้นไหนนะก็มีแต่เรื่องรู้ขันตามความเป็นจริงทั้งสิ้นนะบางคนก็ดูธาตุนะดูอายตนะขันธาตุเยายตนะใช้ได้เท่านั้นแหละนะที่หลวงพ่อพูดเรื่องขันเป็นตัวอย่างนะแจกแจงเรื่องธาตุเรื่อยอายตนะไปเยอะไปฟังแล้วเวย็นหัวไปไม่ใช่หลักเดียวกันนะแยกให้เห็นสภาวะเชิงเดี่ยว เช่นเห็นธาตุ่อเห็นธาตุเชิงเดี่ยวธาตุไฟก็เห็นธาตุไฟไปไม่เห็นธาตุไฟเกิดดับได้ดูยากหน่อยถ้าถึงธาตุอายตนะตาหูจมูกลิน้นกายใจรูปเสียงกลิน่นรสปวดสะพ้าธรรมอารมณ์อายตนะทั้งหมดนี้นตกอยู่ใต้ใจรักอยู่นี้ก็ได้ขันห้าตกอยู่ใต้ใจรักก็ได้ธาตุสิบแปดตกอยู่ใต้ใจรักก็ได้ะดูได้ทางนั้นนะเพราะมันมันสอนสิ่งเดียวกันมันสอนใจรัก งั้มันมีไหมสายกายสายจิตพูดเล่นๆไปงั้นเองก็กายก็สอนใจลักนจิตก็สอนใจลักขันใดๆก็สอนใจลักเรียนรู้ลงไปที่ขันใดขันหนึ่งนะก็เข้าใจใจลักเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจทั้งหมดเนะจะเริ่มจากดูกายก็เข้าใจจิตดูจิตก็เข้าใจกายมันไม่มีต้องมาทะเลาะกันเลยสายโน้นสายนี้เรื่องเรื่องของเด็กๆทะเลาะกันนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรมีแต่รูปหนาม นะรูปนามทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจลักเหมือนเหมือนกันนะนี่ถ้าเรา ท, ทําภาวนานะเนี่ยเห็นขึ้นมาขันทั้งหลายอายตนาทั้งหลทายธาตุทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจลักไม่มีตั ว, ม, ตวมีตนเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันดูต่อไปอีกนะเห็นเลยรูปทั้งหลายนะโดยอตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะนี่แต่ทุกทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษใจหมดความยึดถือในตัวรูปนะ ในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นลดปวดทัพพะใจไม่ยึดนลยนะกระทบถ้าต้องกระทบยังกระทบอยู่ไหมยังมีตาก็ยังเห็นรูปอยู่นะแต่กระทบแนละ้วมันไม่ยึดถือนะมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกวามและปฏิฆาไม่ขาดมันเป็นภูมิธรรมของท่าอนาคานะเพราะฉะนั้นอ น, อนาคาก็าายังเป็นเรื่องรูปนามอีกแหลนะภาวนาจนได้อนาคาหัดจากนั้นในการภาวนามจะบี บ, บวงเข้ามาที่จิตนะ เพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยปล่อยไปหมดละตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดก็คือจิตนั่นเองตัวที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่เรานะก็คือจิตตัวที่ปล่อยวางยากที่สุดก็คือจิตเดี๋ยวพวกเราหัดภาวนากับหลวงพ่อไม่นานหรอกก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นได้ง่ายๆเลยเวทนาไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายๆเห็นไหมครูสอนครูศลนโรคปวดหลงไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายๆในยากจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถ้าเห็นแล้วจิตยอมรับจริงๆก็ได้ธรรมะ แล้วก็ภาวนาต่อไปนะเข้ามาถึงจิตมันจะค่อยๆบีบวงกระชับเข้ามานะเรียนรู้ขันภายนอกเข้ามานะขันหยาบหยาบปอย่างร่างกายรูปทั้งหลายนาะเวทนาทั้งหลายถ้าบีบวงใกล้จิตเข้ามาได้เ็นสังขารทั้งหลายก็ตกอยู่ใกล้ใจละสุดท้ายมันรู้ตัวอื่แจ้งแล้วนะมันลงมาที่จิตนะการปฏิบัติจะบีบวงเข้าหาจิตนะจะมาตัดสินกันยกสุดท้ายที่จิตนี้เองนะถ้าเมืไร ปัญญาแจ่มแจ้งว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักะจิตนั่นแหละตัวทุกขนะ์บางคนเห็นจิตนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบขั้นบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็วางมันจะปล่อยวางจิตนะ่ะสาดคืนจิตให้โลกไปนะถ้าคืนตรงนี้ได้กนะ็หมดทุกข์กันตรงนี้เองเพราะขันนั่นแหละตัวทุกข์เราภานาจนพ้นทุกข์นะก็คือพอนาจนพ้นขันนะ จิตหมดความยึดถือได้ขันใชเนี่ยเราภาวนาล้างกิเลสมาเป็นลําดับลําดับเราล้างกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนช่ไหมสิ้นกิเลสเราก็จะเห็นนิพพานเพราะอะไรสิ้นกิเลสแล้วจิตจะหมดความปรุงแต่งนะจะเลิกปรุงแต่งไปในภพทั้งสามเนี่ยไม่ปรุงละนะเราจิตหมดความปรุงแต่งจิตไม่ยึดถือขันใช่ไก็เข้าสู่พา น, นิพพานเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละนะเราอย่าไปวาดภาพว่ายากเกินไป เมื่อไม่นานนะ่ะหลวงพ่อไปงานศพแห่งไปฟังพระท่านเทศน์มาฟังแลกุ้มใจแทนท่านบ่อจิตประพัฒสอนั่นแหละนิพพานใส่ทอนเลยคนละเรื่องเลยจิตประพัฒสรนั่นแหละจิตจมวิชาอยู่ประพัฒสอนแต่ว่าผ่องใสผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ประพัฒสอนกับปาริสุทธิ์ที่คนละตัวกันอย่าไปคิดว่าแค่จิตประพัฒสรนฉีดบริสุทธิ์คนละเรื่องกันเลยจิตประพัฒสอนมันเหมือนน้าในตุ่ม ใครเใช้ตุ่มน้ํำไหมเวลาเราตักน้ําใส่ตุ่มให้นานนานมันตกตะกอนน้าใสแต่น้ําบริสุทธิ์ไหมตะกอนยังซ่อนอยู่ข้างล่างตะกอนในจิตของเราก็คือพวกอนุใสทั้งหลายพวกอสวาทั้งหลายซ่อนอยู่อ่ะมันใสจริงนะแต่มันโศกโรคนะต้องมาศึกษาปฏิบัตินะชาําระล้างตะกอนนี้ออกไปให้หมดเลยเพื่อจะถึงความบริสุทธิ์นะจะบริสุทธิ์ได้แท้ๆเลยด้วยปัญญา แต่ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิส่งทอดขึ้นมางั้นพวกเราอย่าให้เสียชาติเกิดนะตรงๆบางคนอายุเยอะแล้วไม่ช้าเกินไปหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีคาําว่าสายเกินไปนพระมาหากัตสปะกว่าจะได้ออกหมวดอายุต้อง60เนี่ยนะบางองค์อายุต้อง80ในรุ่นของเรามีองค์นะหลกลกตาผนึกใครรู้จักไหม กวาจะได้บวชอายุมากมหาศาลเลยนะพวกเราอายุยังไม่เท่าท่านเลยท่านก็บวชเพ่อภาวนาท่านสู้ตายนั่นไม่สายเกินไปที่เราจะภาวนาเนี่ยปล่อยชีวิตทิ้งเปล่าๆเสียดายหายใจทิ้งเปล่าๆเสียดายตั้งใจไว้ชาตินี้เกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาแล้วจะขอตักตัวเราธรรมะใส่หัวใจเราไปให้มากที่สุดเลย ถ้ามีบุญวาสนาได้มากได้ผลในชีวิตนี้ไปเลยก็ปลอดภัยหน่อยนะถ้าไม่ได้ให้มีเชื้อของธรรมะติดอยู่ในใจของเรานะชาติต่อไปภาวนาง่ายนะถ้าเราเคยภาวนามาแล้วนะเคยมีสติเคยมีสมารรธิเคยมีปัญญาเคยฝึกฝนมาแล้วต่อไปมันจะง่ายมันยากตอนแรกๆเท่านั้นแหละนะแล้วทำไปก็ไม่สูญนะไปต่อเอาได้ถ้ายังไม่สาเร็จ ะอาเท่านี้ก็พอเนอะวันนี้หลวพ่อเทพหลายยกแล้วนี่ถ้าเป็นนักมวยเนาะโหโชกมาหลายเวทีเลยนเนี้ย อ, อพอสมควรล้ครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าหน่อยให้แม่ให้แม่ให้ลูกเขาเกลดน้ำเ น, นี่ยหลวงพ่อรู้ว่าคุณบรรพิตคุณอนั้นชันเนพวกพุทธสมาคมวันนี้เลยเทพยากหน่อย ตื้นแบบนี้ไม่ไม่สมภูมินะธรรมะพระพุทธเจ้ารักนะข้อประจําพุทธเจ้ามาอีกทีนะโมทนานาพุทธสมาคมนะคุณนั้นฉันเกิดนำ้ำเสียถาวาริมาาปุราปริปุเรนตีสากขรางเอวเมวายตวทินนางเปตานางอุปกัปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังจิต ป, ประเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรารโสยัามณิชโชติระโสยัาสัพพีดิโยวิวัชชนตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันปรายโยสุขีที่คายุโกภวะาอภิวาธนศีลสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธร ม, มาวัันติอายุวันโนสุข หังพลัง